เมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนขี้หมาให้กลายเป็นดอกไม้นะก็ปาลบถึงคำของหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ท่านพูดว่าคนดีใครปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ขี้หมานี้ก็หมายถึงคำตาหนิหรือว่าเคราะ์ก็ได้ ที่ไม่มีใครประสงค์อาจจะรวมถึงความมุ่งร้ายนะความมุ่งร้ายนี่ไม่ว่าจะทำด้วยความโกรธหรือด้วยความความโลภมันก็สามารถแปลเปลี่ยนได้แปลเปลี่ยนได้ด้วยอำนาจของความดีความดีในที่นี้ อาจจะหมายถึงความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อความไม่ตอบโต้อย่างที่มีพุทธพจน์ว่าพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความจะหนีด้วยการให้อันนี้ก็เป็นความดีที่ เราคุ้นเคยกันดีเป็นความดีที่เกิดจากพฤติกรรมเกิดจากกายกรรมวจีกรรมซึ่งก็ต้องมีมโนกรรมคือเมตตาธรรมเป็นพื้นฐานแล้วก็จะเจอประกอบไปด้วยปัญญานะความดีนี่มันสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้เพราะว่าคนเรานี่ก็ไม่ว่าจะจะเลวร้แค่ไหนมันก็มีความดีอยู่ในตัวเป็นแต่ว่าความดีนั้นมันอาจจะไม่มีพลังพอที่จะเอาชนะความเห็นกับตัวหรือว่าความชั่วร้ายในใจได้นคนเราก็มีทั้งสองอย่างนะมีทั้ง ความมีกระตัวแล้วก็คุณธรรมเมือ่อใดก็ตามที่คุณธรรมมีมพลังเหนือกว่าความมีกระตัวเขาก็ทําความดีออกมาแต่ว่าคราวใดที่ความมีกระตัวมันมีพลังมากกว่าหรืออารมณ์อกุศลมันมีพลังมากกว่าก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาใช้ความดีไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์มันก็สามารถไปกระตุ้นความดีของอีกฝ่ายหนึ่งได้จากที่ร้ายก็เลยกลายเป็นดีมีผู้หญิงไทยคนหนึง่งเเคยเล่าตอนที่เขาไปไปเรียนที่บอสตัน ช่วงนั้นมันเป็นมันเป็นวันวันเสาร์คนไม่ค่อยมีเขาก็ออกไปซื้ออาหารตั้งแต่เช้าแปดโมงออกจากขอบพักก็ไปจะไปซื้อของในร้านในรวงที่รอสัญญาณไฟเขียวที่เกาะ ก, กลางถนนปรากฏมีคนดำคนหนึ่งเข้ามาล็อกคอมี G จีที่เอ เราก็สั่งให้เอากระเป๋าเงินออกมาเ้าก็ยินยอมโดยดีนะก็ยื่นกระเป๋าเงินให้คนต่งคนนั้นเห็นคนในเงินปรากฏว่ามีเงินแค่20ดอลลาร์ก็ไม่พอใจ ATM ก็ไม่มีเครดิต ก, ก็ไม่มีก็เลยบอกให้ส่งถามว่ามี ส่้อยคอไม่มีกำไรไม้มเอามาให้หมดเขาก็บอกไม่มีไม่มีสักอย่างเลยโจนน่นมันก็เลยถามว่า เ, เป็นคนเอเชียไม่ใช่เลยคนเอเชียนี่มาเรียนถึงอเมริกาเนี่ยมันต้องมีเงินสิเขาก็บอกว่าเขา คนอื่นนี้คนอุ่นรวยก็จริงแต่เขาไม่มีนะเพราะมาด้เงินทุนของรัฐบาลโจนก็ถามต่อไปว่าเนี่ยไอ้นี่จะไปไหนเนี่ยบอกจะไปซื้ออาหารยี่สิบดอลลาร์พอเหรอโจถามก็บอกว่าพอสิเพราะว่าแค่ไปซื้อไข่โหลนึงก็สอนสองดอลลาร์เท่านั้นแหละ าไข่ที่นั่นถูกนะโลหนึ่งสองดอลลาร์โจมมก็ถามให้ว่าเอาไข่ไปทำอะไรซื้อไขยไปทำอะไรก็บอกว่าเนี่ยกินได้ทั้งอาทิตย์เลยคือเขาไม่ค่อยมีเงินไงเขาก็เลยกะว่าซื้อขายสักโลหนึ่งทำทั้งอาทิตย์เลยจะทำไข่ลูกเขยก็ได้จะเป็นไขพ่พะโลก็ได้กินมันทั้งอาทิตย์นั่นแหละโจมก็แบบว่า มีแค่นี้พอเลยระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ายามยามมาอุทยานเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็จะเรียกตำรวจนะผู้หญิงไทยเห็นพอดีก็เลยกวางมือโบอกมื อ, บ อ, มอบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเราเพื่อนกันโจนมันงงเลยนะเขาถามว่าเรารู้จักกันแต่เมื่อไหร่เนี่ย ผิงแทวบอกว่าก็เมื่อกี้นี่ไงนะคราวนี้ก็เลยคุยกันกเขาก็บอกว่าเนี่ยผูิงแทวบอกเนี่ยตอนนี้เมืองไทยมันแย่นะเศรษฐกิจตกต่ําตอนนั้นปี40เมืองไทยมันแย่จนทั่งกําลังจะเป็นาธาตุ IMF อยู่แล้ว mm hmm. คุณอะยังดีนะเป็นแค่พล เ, เมืองชั้นสองเนี่ยแต่ชั้นจะเป็นาธาตุ IMF แล้ว โจนี่ปรากว่าสนทนาสักพักนะมันลงเอยอย่างนี้นะก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเอาเงินของผู้หญิงไทยคนนี้ไปปรากว่ามันพาเธอไปซื้อของในร้านซื้ออาหารซื้อขนมให้ต้องสามถุงใหญ่แล้วก็ยังเดินหิ้วมาส่งถึงเหมาเชียไลหิ้วของนะเสร็จแล้วก็แถมเงินให้อีกห้าสิบดอลลาร์ จนแทนที่จะได้กำไรนะได้เงินนะกลับปรากฏว่ากลายเป็นกลายเป็นเพื่อนนะเพราะว่ามันซาบซึ้งน้ำใจนะน้าใจผู้หญิงคนนี้นะยามนี้จะไปเรียกตำรวจแล้วเธ อ, อยังห้ามนะยังถามว่าเป็นเพื่อนกันแล้วคงเห็นใจเลยว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้โสมยิ่งกันเราอีกนะจนยิ่งกับเราอีก แล้วพี่คไทยคนนี้ก็ดีนะพอได้ของมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปไปที่บ้านของคนดําคนเนี้ยแล้วก็เอาเครื่องครัวอาหารไทยไปไปทําเลี้ยงทําต้มยํากุ้งให้คนดําคนนี้แล้วก็ก็เลยทําให้รู้จักกับลูกๆของเธอของเขาแล้วก็เลย ตอนหลังลูกนี้ก็ไปเรียนที่วอชิงตนันเธอก็ไปเยี่ยมเวลาไปเมืองไทยก็จะไปเยี่ยมถ้าผ่านวอชิงตนันก็กลายเป็นเพื่อนกันจากจุดเริ่มต้นที่เหมือนก็จะเป็นศัตรูกันคนหนึ่งจะเจี้เอาเงินอีกคนหนึ่งก็เป็นเหยื่อแต่ก็ลงเอยด้วยการเป็นเป็นมิตรกันนี่ขนาดโจเนี่นก็มีน้ำใจนะแม้ว่าจะมีความเกระตัวครอบงำแต่ว่า พออีกฝ่ายนึ่เขามีน้ำใจด้วยหรือว่ามีไมตรีมันก็สามารถเปลี่ยนเขาได้เพราะว่าความดีของผู้หญิงไทยมันก็ไปกระตุ้นความดีในใจของอโจรคนนี้ขึ้นมานะก็ทำให้กลายเป็นเป็นเพื่อนกันได้คนเราเวลาทำอะไรที่ไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าเขาเลวไปเสียหมดนะ เขาก็มีส่วนดีแต่ส่วนใหญ่เรามักจะตอบโต้กันด้วยอารมณ์แกแรงมาฉันก็แรงไปแกด่าฉันมาฉันก็ด่าฉันแกกลับไปแกจะทำลายฉันฉันก็ต่อสู้ทําลายแกได้ฉันก็จะทํามันก็เลยไม่จบนะความโกรธความเกลียดก็ยิ่งลุกลามมากขึ้นแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ตอบโต้ด้วยความ ด้วยความชั่วหรือว่าด้วยอารมณ์แต่ว่าใช้ความเมตตาเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์พุษสภาสี่ห้าเดือนก่อนเราคงได้ข่าว ม, มีการเผากันตามที่ต่างๆหลังจาก19พุษสภาเผาตามสารากลางที่โน่นที่นี่บ้างชัยภูมิก็เกือบโดนรอดไปได้ แต่คอนแกนน่โดนโดนเผาที่เยสโซทอนี่ก็มีคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งว่าจะไปเผาชุมชนหนึ่งซึ่งได้ได้ข่าวว่ากร้ชิ ก, กับทางสันเตียโสสันเติยโสนี่ก็ก็ย่ายเสื้อเหลืองก็ยกพวกนันจะไปจะไปเผาแก้แค้นเนพื่อนที่รับประสงค์คนในชุมชนนั้นพอรู้ข่าวเขาก็เตรียมตัวเลยนะ แต่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือไม่ใช่เตรียมตัวหามีดหาไม้หาอะไรมาต่อสู้เขาก็ออกมาต้อนรับพอคนเสื้อแดงมาถึงกำลังโกรธเลยนะเขาก็ถามว่าอนี่เป็นยังไงมายังไงนี่คงมาไกลนะกินข้าวมาหรือยังถ้าทางยังไม่ได้กินอ่ะนะเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวให้เขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยง คนเสแดงคนสแสดงก็ดีนะอุตสาลล่าห์รอรอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนพอกินเสร็จนี่เปลี่ยนใจเลยนะไม่เผาแล้วกลับดีกว่าจากเดิมที่คิดจะมาเผานี่พอได้รับาพอเจอการต้อนรับอย่างมิตรเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะคนร้อนนี่ก็เปลี่ยนจากความโกรธก็กลายเป็นอความเป็นมิตรด้วย อันนี้เราเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธคนเราไม่ค่อยคิดถึงวิธีนี้เท่าไหร่นะถ้าแกโกรธมาฉันก็จะพร้อมลุยเหมือนกันแต่การที่คิดจะเอาชนะกันด้วยความดีไม่ค่อยไม่ค่อยนึกกันเท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นวิธีการของพระพุทธองค์แต่วิธีการที่าคนดีเขาทำกันก็คือเชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายนเาก็มีความดีอยู่ แล้วก็เชื่อในอนุภาพของความดีที่เราได้ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจบางครั้งเราก็คงเจอคนที่เอาเปรียบคนที่คิดจะาหาประโยชน์จากเราเราจะเคยเจอคนที่ยืมเงินแล้วก็ไม่คืนหรือว่าคิดจะโกงเงินเราอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ หลายคนเจอบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือบางทีก็ใช้วิธีการาเล่นงานว่ากล่าวมันมีคนเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงกับคนแบบนี้ก็มีเพื่อนเนี่ยก็เขาก็รู้นะว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนที่โกงเอาเปรียบ วันหนึ่งก็มามาขอขอรับสินค้าไปขายเขาก็จัดหาให้เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเงินมาให้นะเขาก็รับสินค้าไปเป็นจำนวนเจ็ดพันเสร็จแล้วก็ตามค่าก็คือว่าวันรุ่งคึ้นเขาก็ไม่มาตามนัดแล้วก็หายไปนะ เป็นเดือนเลยก็ปรากฏว่าไปเจอกันโดยบังเอิญเจ้าของร้านไม่ทันจะพูดอะไรเขาก็มาขอโทษขอโพยบอกว่าไม่ว่างพอดีนะช่วงนั้นช่วงนี้ยุ่งมากนะไม่ได้คิดจะโกงนะเจ้าของร้านก็บอกว่ารู้อยู่ว่าเพื่อนนี่ไม่ไม่ตั้งใจโกงอยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนนี้เป็นคนมีศักดิ์ศรี ถ้ามีเงินก็คงจะเอามาคืนอยู่แล้วละแล้วนี่เข้าใจเพื่อนเสร็จแล้วก็เขาก็เล่าว่าเนี่ยคนที่เอาเงินไปก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินมากพ่อไม่สบายนะเจ้าของร้านก็เลยถามเรื่องพ่อว่าเป็นยังไงบ้างนะเสร็จแล้วก็ควักเงินให้อีกพันหนึ่งยัดใส่ยัดใส่มือของคนนั้นแล้วก็บอกว่าเนเอาเอาเงินนี้ไปช่วยไปซื้อของ เย็บไข้พ่อหน่อยนะแล้วเขาก็หายไปหลังจากนั้นเขาก็ดูเหมือนได้ใจนะก็มาอีกมาเอาของไปมาถึงสองสองสามครั้งเขาก็ให้ไปนะไม่ได้ทวงเงินเก่าเลยก็ให้ไปไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นให้ความเชื่อใจกับเขาสุดท้ายเนี่ยอ ห, หมอหนัา น, นี่ยมันก็ ก็มาสารภาพนะว่าเนี่ยว่าก็ไม่ได้คิดที่เอาไปนี่ก็ไม่ได้คิดจะคืนนะแต่ว่าก็รู้สึกซ้ำทราบซึ้งมากคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ข, ของผมแล้วหลังจากนั้นนี่เขาก็พยายามที่จะหาเงินมาคืนนะจนจนครบเนยะคือเรื่องแพ้ใจนะแพ้ใจของของเพื่อนคนนี้ที่เขาเรียกว่ายังมีความไว้วางใจ ให้ความไม่วางใจที่มีต่อเพื่อนความวางใจที่มีต่อเขาหรือว่าความปรารถนาดีบางทีมันก็สามารถที่จะทําให้ให้ความเป็นแกตัวในใจของเขานี่มันเปลี่ยนไปก็กลับมากลับมาทําความดีตอบแทนได้มีความดีที่มันเวลามีใครดีกับเราด้วยเนี่ยแม้เราจะ คิดร like ้ายเขาเนี่ยแต่บางทีคิดร้ายไม่ได้ตลอดนะมันแพ้ใจนะเพราะความดีในใจเราก็มีเขาดีกับเราแต่เรายังเอาเปรียบเขาเนี่ยก็รู้สึกผิดคนทุกคนมันก็มีอย่างนี้แต่พอได้ถึงจุดหนึ่งความดีมันเบ่งบานขึ้นมาในใจนก็ก็พร้อมนะพร้อมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนนี้เขาขายของที่ ท, ที่จะตุจจัก แล้วก็มีคราวหนึ่งร้านข้างๆเนี่ยก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันเอาป้ายเอาภาพถ่ายขนาดใหญ่มามาบังบางส่วนของร้านเขาคือที่มันน้อยอาจจะตุดจักรนะของที่ก็มาวางโชว์หน้าร้านแต่มามากินที่ของร้านเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปซื้อ ผลไม้มาฝากเจ้าของร้านที่ว่าแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยผมไปห้องน้ำมานะเพื่อนที่เขาขายผลไม้ก็รู้ว่าคุณชอบทานผลไม้ก็เลยซื้อมาให้ร้านนี้อร่อยด้วยไอ้หมอเนั่นก็รับอย่างง ง, งๆนะเพราะไม่เคยคิดไม่คิดว่าจะจะได้รับการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็คุยกันอยู่นะสักพัก มันลุ่ขึ้นปรากฏว่าพอเขาเปิดร้านนี่ไอ้ภาพถ่ายที่เคยมาบังร้านเขาเนี่มันหายไปเลยเ้าก็เลยไปถามเจ้าของร้า น, นาว่าภาพถ่ายไปไหนเอนอบรรจงยังเห็นอยู่เลยขายได้แล้วขายได้แล้วเหรอเขาบอกอย่าเปล่าหรอกยังไม่ได้ยังขายไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาไปเก็บไว้ในร้านเอาทําไมละ่ะทําไมเก็บไว้ในร้านบอกว่าเอามาวาดตรงนี้มันน่าเกลียบมันบังร้านคุณ น, นะตัวกลายเป็นว่า เปลี่ยนใจไปได้ทั้งที่ใครๆก็เอื่มละอากับคนคนนี้นะเพราะว่าเอาเปรียบอันนี้ก็เป็นอนุพังธ์ความดีนะคือถ้าเราทำด้วยด้วยน้ำใจนะไม่คิดจะโกรธหรือว่าเล่นงานเขาเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เกิดความเป็นเพื่อนขึ้นมาได้ปุจจาวาเอาชนะความตรหนีด้วยกันให้นะ แล้วคนบางคนก็ตรหนีนะคิดจะเอาเปรียบเบียดบางผู้อื่นแต่ว่าการให้นี่มันก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เพราะหวังจะเอาชนะมันก็ก็ไม่ถูกกันนะมันต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆถ้าให้เพราะหวังผลเนี่ยก็จะทุกข์แล้วก็มันก็จะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์ใจคนก็อาจจะรับรู้ได้ว่าไอ้นี่มามามีแผนอันนี้ก็ต้อง ต้องทําความดีด้วยใจที่ปล่อยวางด้วยเหมือนกันนะให้ความดีเขาทางานเองนะถ้าเราเชื่อในอนุวัตของความดีมันก็จะทํางานเองถือว่าเป็นการฝึกด้วยความคนคนที่เขาทาอะไรไม่ดีเนี่ยหรือว่าคนที่เกเรเนี่ยมันก็อยากจะทําความดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันแพ้แพ้ความแก่ตัวในใจในสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้คือว่าเป็น หนุนเสริมความดีในใจเขาห <c oughs> นุนเสริมความดีในใจเขาให้มีพลังขึ้นมาจนเอาชนะความมีแกตัวหรือนิสัยที่ไม่ดีได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาเราทำดีกับเขาเนี่ยหรือแม้แต่พูดชมเนี่ยมันก็ช่วยเขาได้นะนะการพูดชมคนสารเสริมเวลาเราทำความดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนคนได้เหมือนกัน มีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มีแก๊งมอเตอร์ไซค์เยอะแก๊งสามสูแก๊งมอเตอร์ไซค์ในเชียงใหม่นี่มีเยอะมากบางทีก็ดุร้ายนะเอามีดมาฟาดฟันคนทนั้งที่ไม่รู้จักก็มีก็มีคานึงหัวหน้าแก๊งคนนี้ก็ได้รับชวนให้ไปร่วมค่ายคือพระธมาก็ทา ช่วยเครือข่ายพติกาเครือข่ายพฤติการก็มีโครงการชื่อหนึ่งเรื่องโครงการสุดท้ายด้ปัญญาเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ใครก็ได้ทํากิจกรรมที่บําเป็นประโยชน์แล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือสร้างทัศนคติให้เห็นว่าความสุขมันเกิดจากจิตใจเกิดจากปัญญาไม่ใช่เกิดจากวัตถุก็มีคนนึงก็เอาได้รับทุนสนับสนุนเนี่ยไปจัดค่าย จัดค่ายให้ใครจัดค่ายให้กับพวกวัยรุ่นพวกกลุ่มเนี้ยหัวหน้าผู้จัดทําค่ายนี่ก็เป็นเธอเป็นอดีตอดีตอันธพานมาก่อนแต่เปลี่ยนใจเขาก็เลยอยากจะชวนรุ่นน้องนี่มามาเจอของดีๆแบบนี้บ้างก็เลยชวนรุ่นน้องที่เป็นหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งหนึ่งมาไอ้หมอนนั่นมันก็มาด้วยความเกรงใจนะและมาเนี่ยก็ไม่ได้มามือเปล่านะเอาระเบิดเอาปืนมาด้วย เพราะว่าได้ข่าวว่าแก๊งคู่อริก็มาด้วยมาแล้วว่าพอก็มาแล้วก็เจอกันนะมันก็จะล้มรอดจะเกิดเรื่องหลายครั้งค่ายมีห้าวันก็เกือบจะเกิดเรื่องเกือบทุกวันแต่ว่าหัวหน้านี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นขาใหญ่มาก่อนก็เลยสามารถคุมคุมพวกรุ่นน้องได้ ชาวบ้านเขาก็รู้รับรู้เหตุการณ์นะเขาก็ตุ้มตุ้มต่อมตอมกันเพราะรู้ ร, รู้กีริยาศัพท์พวกนี้ดีแต่ปรากฏว่าพอจัดค่ายเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านเขาออกปากชมเออผู้นี้มันดีนะปราก็ว่าหั ว, หวนักแจ้งวัยรุ่นแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยหลายคนพอได้รับคําชมนี่ประทับใจมากมันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาคืออยากจะทําความดีคือแต่ก่อนเนี่ย เป็นอันตายกอ่อขุ่นโดนโดนคนดา่าเขาก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่เขาไม่มีความรู้สึกอยากจะทําดีเลยไม่รู้จะทําไปทําไมความดีนะแต่พอมีคนชมอย่างนี้เข้าเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกอยากจะทําความดีปีใหม่ก็เลยชวนนั่งใกล้ปีใหม่พอถึงปีใหม่เขาก็เลยชวนเพื่อนเพื่ อ, อลูกน้องเนี่ยไปไปทําความดีก็คือไปช่วยตํารวจไปช่วยตํารวจที่ตั้งด่านนะ ตังดา่านตรวจอุบัติเหตุแล้วชาวบ้านเห็นไอ้พวกนี้แต่ก่อนเป็นแก๊งสิงมาช่วยตำรวจเป็นอาสาสมัครนี่เออเขาก็ชมว่าพวกนี้ดีนะมันก็ทำให้เขาอยากจะทำความดีมากขึ้นก็เลยไอ้พฤติกรรมที่จะเป็นแก๊งกันทพานก็เปลี่ยนไปเหมือนกับรุ่นพี่ที่ก็เปลี่ยนไปเพราะเหตุผลเดียวกันคือพอทำความดีแล้วมีคนชม มีคนสารเสริมันก็เกิดแรงอยากจะทำความดีเพราะคนเราในใจนี่มันก็ต้องการคาชมต้องการการยอมรับอยู่แล้วแต่ถ้ายอมรับถ้าเป็นที่ยอมรับในทางดีไม่ได้ก็ไปเอาเด่นทางความชั่วซะเลยเพราะคิดว่าทำดีไม่มีทางฉันไม่มีทางทำดีได้แน่ฉันก็ไม่ทำไปเอาปเาเด่นทางชั่วดีกว่า แต่ถ้ารู้ว่าทำดีแล้วมันทำขึ้นเขาก็อยากจะทำความดีนะมนุษย์เราทุกคนนะนั่นเพียงแค่คำชมหรือการที่เห็นความดีของเขาเนี่ยมันก็ช่วยเขาได้นี่กรณีนึ่ก็น่าสนใจนะแต่ไม่ใช่ที่เมืองไทย น, ะนักเรียนนักเรียนเกเรนักเรียนมาเทียมผู้หญิงด้วยเกเรมากไม่เรียนหนังสือเลยทั้งห้อง ครูนี่ครูวิชาไหนก็เอื่มละอาแม้แต่ครูประจำชั้นนี่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วก็แต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ได้ความคิดตอนนี้วิชานี้ไม่สอนแล้วให้นักเรียนทุกคนเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนชื่อของเพื่อนทุกคนลงไปทุกคนเพื่อนทุกคนในห้องนะเขียนชื่อในกระดาษแผ่นนี้แล้วก็ด้านขวามือก็ ให้แต่ละคนนึกถึงความดีของเพื่อนเราแต่ละคนแต่ละคนว่าเขามีความดีอะไรบ้างเขามีนิสัยดีที่เราประทับใจยังไงบ้างเขียนให้หมดว่าคนนี้เขานิสัยยังไงคนนั้นเขานิสัยยังไงเอาเฉพาะแต่ความดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทั้งชั่วโมงแล้วก็เอามาคืนครูครูก็เก็บกระดาของเพื่อนของนักเรียนทั้งหมดแล้วก็มาคัดลอกหมายว่าคนนี้นี่เขามีความดีอย่างไรบ้างในสายตาของเพื่อนในก่อน เด็กหญิงกอเด็กหญิงขอมีความเดียอะไรบ้างเพื่อนเก็พูดถึงเธออย่งไรบ้างก็จดมาใส่ไว้นในกระดาษแผ่นเดียวกันสําหรับแต่ละคนแต่ละคนลุงขึ้นก็เอาไปแจกให้เพื่อนๆ น, นที่เป็นที่เป็นเจ้าของนิสัยดีๆที่เพื่อนแต่ละคนก็พูดถึงเพราว่าคนแต่ละคนพอได้รับไปนี่เขาเขางงกันนะว่า โอ้ชันมีความดีแบบนี้ได้เลยเหรอไม่นึกเลยว่าฉัน้นจะมีความดีแบบนี้แล้วปรากฏว่าพฤติกรรมของเด็กในห้องส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนนะจากเกเร ก, ก็กลายเป็นเด็กดีนะเพราะว่าเพิ่งมาลุ้นไอ้ฉันก็มีความดีอยู่นะตรงเนี้คําชมของเพื่อนเนี่ยที่จริงเพื่อนก็ไม่ได้ชมโดยตรงนะเพื่อนเพื่อนก็แค่พูดถึงแต่ก็พูดถึงในแง่ดีแล้วนะพอได้เห็นคํา คำชมของเพื่อ น, นี้ก็เกิดกาลังใจที่จะทำความดีก็เลิกเกเยตั้งใจเรียนจนเรียนจบนะผ่านไปได้กันทุกคนครูก็สบายใจแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่จบแค่นี้นะก็ผ่านไปประมาณส0ปีสิบห้าปีได้ก็มีคนหนึ่งในชั้นเรียนก็เสียชีวิตนะก็เพื่อนๆในชั้นก็เลยไปร่วมงานศพ แม่ของผู้ตายเนี่ยเห็นเพื่อนบางคนก็จำได้ก็เลยเรียกมาคุยแล้วแม่ของเพื่อนคนที่ตายเ็าก็ดึงกระดาษแผ่นหนึ่งมาเก่าละยับละแล้วก็บอกว่าเนี่ยกระดาษแผ่นเนี่ยลูกเขาติดตัวเป็นประจำเลยบอกว่าเป็นกระดาษที่เพื่อนๆเขียนถึงเขาเขาก็ติดตัวไว้เขาบอกว่าเนี่ยลูกลูกฉันเนี่ยเวลา ท้อทแท้เขาก็จะเอากระดาษแผ่นนี้มาเปิดอ่านแล้วทําให้มีกําลังใจปรากฏว่าเพื่อนๆคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็บอกเนี่ยเขาเขาเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็ใช้กระดาษนี้ยเพิ่มกําลังใจกระดาษแผ่นเดียวที่มันมีความหมายมากต่อนักเรียนชั้นนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นคน นะมีคุณค่าเป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัว น, นี่กเเ็เป็นเป็นอุบายของครูซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนได้เนะพราะเขาเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความดีเพียงแต่ไม่เห็นความดีของตัวแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะเกิดกําลังใจหรือว่าถ้าได้คําชมจากเพื่อนๆ น, นี่ก็จะเกิดกําลังใจได้อันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้นะก็ใสศัยความดีง่ายๆ ความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อคำชื่นชมสารเสริญวนคนที่เขารู้สึกติดลบกับตัวเองเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยอยากจะทําความดีเท่าไหร่ทําชั่วดีกว่าแต่ถ้าเกิดเห็นว่าตัวเองมีด้านบวกอยู่ในใจนะมันก็เกิดกําลังใจหรือถ้ามีคนหนึ่งก็ทําดีกับเราก็าจะเกิดกําลังใจอยากทําความดีด้วยความดีนี่มันดึงดูดความดีนะ แต่ความชั่วนี่มันก็ดึงดูดความชั่วเหมือนกันเราด่าเขากลับเขาก็ด่ากลับเหมือนกันนะเราตำหนิเขาเขาก็ก็ตำหนิหรือเพ่งโทษเรานะมันมก็ว่าตาต่อต า, ต า, ตาตอฟันต่อฟันแต่ใช้ใช้ความดีสู้ใช้ความดีตอบโต้เนี่ยมันก็สามารถจะดึงเอาความดีของเขาออกมาได้อันนี้ก็เป็นอนุภาพของธรรมะอนุภาพของความดีที่พวกเราก็น่าจะเรียนรู้ไว้เพราะว่า เดี๋ยวนี้คนอารมณ์ร้อนแรงกันมากนะแล้วก็อัตราตัวตวนก็สูงการที่จะคิดทำการที่จะคิดใช้ความดีเพื่อรับมือกับความชั่วนี่มันก็ไม่ค่อยได้นึกกันเท่าไหร่เลยถูกตำหนิก็โกรธแล้วก็ตาหนิกลับว่ากลับนะเขาเอาเปรียบฉันฉันก็เอาเปรียบแกบ้างนะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่จบไม่สิน้น แต่ถ้าเราลองใช้วิธีนะใช้วิธีแบบที่พระเจ้าสอนมั่งนะเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธเนี่ยเอาชนะความตะหนี่ด้วยการให้มันก็จะก็จะเห็นผลได้แต่ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะหรือว่าต้องมีความอดทนต้องรอคอยได้ความดีกว่ามันจะได้ผลนี่ก็ต้องใช้เวลานะอันนี้มันก็ก็ เหมือกับการเปลี่ยนนะขี้หมายการเป็นดอกดอกไม้ได้เหมือนกันนะเปลี่ยนการกระทาที่ไม่ดีที่มุ่งร้ายนี่ให้กลายเป็นการกระทาที่ดีได้เอาละเช้านี้ก็พูดกับตอนนี้กลับพระบ้องกัน <c oughs>